นี่มนทรไปพระเนนเราญาติโยมก็รับประทานแล้วกินไปนนวันนี้ก็จะได้เตือนนักศะกุ๊บที่มาที่นี่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปด สุราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบหกตรงกับสุกร์เป็นเดือนสิบเอ็ด ตอนปีห้าพวกบุฮมเขาจะมารับพวกเราไปแสดงธรรมหรือไปร่วมงานเขางานกระถิ่นถ้าหากพวกเรามีสัทธาหรือใครๆก็ตามแน้วไปได้โดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไร <c oughs> อาจามาบอกเขาว่าถ้าหาก ไปได้มากดีให้เอารถมาจากสองคันบ้างถ้าเป็นรถน้อยถ้าเป็นรถใหญ่ก็คันเดียวก็พออีพอดีไปถึงนั้นกนในเกณฑ์สองโมงจากดสันอาหารกันสันอาหารแล้วก็จะมีการบรรยายธรรมะให้พวกนั้นพวกที่บ้านบุหมาเนะี่ยหรือใครก็ตามลรไปรวมงานกระถินพึ้นก็จะได้ฟังกัน ระยะ3มโมงพรุ่งนี้ก็ต้องให้กลับคืนมาทางนี้มาถึงที่นี่ก็ในเกณฑ์4ีรือ5โมงพวกที่จะขับไปบ้านกรุงเทพหรือไปทางไหนก็ถ้ามีโอกาสก็ทันรถในเกณฑ์หนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มบอกนะถ้ายังไม่กลับก็พักกันอยู่ที่นี่ก็ได้ วันนี้ก็ยังมีการบรรยายธรรมะกันตามเดิมตอนเย็นเวลา3โมงขวบคนตามเดิมแล้วก็มีหนังสือที่แจกกันแต่ตอน3โมงถงจะแจกวันนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่แจกหนังสือมาทางนี้คำว่ามาทางนี้บางคนก็เข้าใจจะเห็นว่าเป็นคํำเล่น กับตื่นเถอะบางคนอาจจะว่เป็นของเล่นเล่นแต่ความจริงมีความหมายว่าเนาทุกคนเคยนอนหลับกันมานานขวานกินเท่าไรไม่หายอยากอันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังจาได้กินเท่าไรไม่หายอยากนนพาายายากาไรไยยกพะก็แสดงให้ฟัง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 คนตาบอดลงทางไม่ถามใครหนีจระเข้ใหญ่คือแค่บ้านอาตมาเรียกว่าแค่จระเข้ใหญ่แล่นลงน้าขึ้นต้นไม้สูงสุดไม่มีทางไปก็กลับคืนมาทางเดิมอันนี้เป็นปัญหาท่านมาคำว่าขึ้นต้นไม้สูงสุดแล้วกลับคืนมาทางเก่านี้อันนี้ ท่นว่าคนรู้ธรรมะต้องแสดงธรรมะให้คนฟังกลับมาแสดงรู้ธรรมะและไม่ใช่จะหนีโลกไปท่านว่ายัางไงแต่ความนั้นจริงอยู่แต่มันไม่จริงโดยเฉพาะที่คนเข้าใจกันคำว่าขึ้นต้นไม้สูงสุดกลับคืนมาทางเก่านี้อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ควรจะศึกษาให้รู้ จาพวกที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำกรรมาฐานจะเลยมิปสัสนาคอตามเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจธรรมะสั้นลึกอย่างนั้นอันนี้เขาบอกอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนั่งนอนอย่างสูงแต่กลับไปทำงานอย่างต่ำที่เคยพูดให้ฟังกันมาหลายครั้ง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 นอนอย่างต่ำแต่มุ่งทำงานอย่างสูงเรื่องชีวิตจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สูงที่สุดควรจะพูดกันเรื่องนี้ให้มากและก็แนะแนวทางเรื่องนี้ให้มากเพื่อพากันตื่นเถอะตื่นจากที่นั้นลุกขึ้นมาทางนี้บัดนี้ก็ต้องอยู่ที่นี่และไม่ต้องหนีก็ไม่ต้องสู้ ไม่ต้องหนีและไม่ต้องสู้ทำยังไงดูลงที่นี่ดูที่ไหนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและดูการเคลื่อนไหวของจิตใจจินเท่าไหร่จึงไม่หายอยากจินเท่าไหร่ไม่หายอยากยิ่งดูก็ยิ่งรู้ตัวเองมันยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ภาวะของจิตใจอันนี้ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่บากเพราะเราศึกษาตัวเองต้องรู้ตัวเองอันนี้เลยว่าอยู่อย่างต่ำยินอย่างต่ำแต่ทำงานอย่างสูงที่เข้าใจอย่างนี้อาตจจมาบวชมานี่หรือว่ารู้ธรรมะอันมาที่เราให้ฟังในวันนี้อายุสี่สิบหกปีเป็นโยมอยู่สองปีกว่า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 แต่ขอให้ได้พูดความจริงคือสัจธรรมคำสอนที่แน่นอนที่สุดคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคนพบเป็นคนแรกที่สุดก็เลยพูดอย่างนั้นมาพระพุทธเจ้าก็าสอนแต่เรื่องชีวิตจิตใจของคนเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะเล่าประวัติของตัวเองกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละไปโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่าอย่าพูดมากหลวงพ่อไม่ให้พูดเกินห้านาทีอย่างมากที่สุดหลวงพ่อจะมีซีลิคอยู่ได้เพียงสองปีวเป็นเนื้องอกคาว่าเป็นมะเร็งจะไม่มีซีริคอยู่ได้ถ้าหากพาตัดแล้วจะมีซีลิคอยู่ได้ภายในสองปีแต่หม อ, อยากพาตัดในช่วงที่ไปอยู่กรุงเทพ ตัวเองก็ไม่ยอมผ่าตัดเพราะงานเรามีอยู่วันที่ยี่สิบเอ็ดจะมีงานถ้าผ่าตัดแล้วงานเนี่ยคงจะไม่สะดวกดีก็เลยขอร้องจากหมอไม่ต้องผ่าตัดละหมอมีแนวทางที่จะรักษาได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าพอมีางพอมีให้ยาไปกินแต่บอกก็เลยให้กินยามาพอทุเรา หมอคำซัพบอกว่าอย่าพูดนานอย่าพูดนานแต่ก็จำเป็นเม้่ชีวิตจะโลภตายแล้วเดียวนี้ก็ตามต้องพูดธรรมะนด้ต้องพู ด, รรมพดไม่พูดไม่ได้พะมันเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องพูดทำไมกินเท่าไรไม่หายอยากกินเท่าไรไม่หายอยากคือพูดธรรมะเรื่องชีวิตจิตใจเนี่ยมันพอไม่เป็น ไม่ใช่ว่าไปทำบุญให้ทานเอาบุญมากๆบุญนี่พอไม่เป็นอันนั้นผูกแล้วแต่คําสอนของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยสอนเอาไว้เช่นนั้นนอนหลับไม่ลู่ตื่นนะน่านคนเรามันชอบชอบลืมตัวชอบลืมตัวพูดคุยกันเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้คนนั้นดีคนนี่ชั่วชอบพูดเรื่องนั้นมาก เพราะนิสัยของคนมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่ากินเท่าไรไม่หายอยากแล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นหน้าที่ที่จะพูดก็พูดไปอย่างนั้นหละไม่มีการสิ้นจบดังนั้นการศึกษาหลักธรรมะที่อาจจะมาพูดนี่จบเป็นถึงที่สุดแล้วก็จบกันเลยการพูดคุยที่นอกจากชีวิตไปแล้วจบไม่เป็น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 หาการงานอย่างดีๆได้เงินๆมากๆเราว่าเรามีความสุขจีิอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ใช่สุขในทางาพระพุทธศาสนาสอนมันมีความสุขของคนหลงผิดนึกว่าเราจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายคาว่าของสั้นจึงสําคัญว่ายาวชีวิตของเรานี่เมื่อยังหนุ่มๆ น, น, น้อยๆเนี่ยทำไมไม่ศึกษา <c oughs> เพราะเรื่องอะไร ไปศึกษาเรื่องที่ไม่จำเป็นเป็นอนยะ่างนั้นแต่ไม่ได้ห้ามการศึกษาเล่าเรียนอย่างสูงสูงนั้นดีแล้วดีแล้วหาตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนมากมากนั้นดีแล้วดีแล้วอนะันั้นแต่ว่าอย่าเป็นคนมักลืมตัวบัด น, นี้กลับมาพูดกันเรื่องนี้อีกพักหนึ่งว่าถ้าศึกษาธรรมะตัวเองรู้จบเป็นไม่จบ ศึกษาชีวิตตัวเองรู้จบไม่จบถ้าจบแล้วทำงานอะไรใดไหมได้กินข้าวเป็นไม่เป็นทำงานอะไรก็ได้ได้เพราะเรื่องอะไรเพราะสิ่งนั้นเห็นว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นเราเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ต้องทำการทางานตามหน้าที่ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนว่าหน้าที่ของตนต้องทำต้องทำ มีการงานต้องทําไม่ใช่จะละเลยหน้าที่ไปได้อันนี้เรียกว่าอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่ทํางานอย่างสูงไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ทานรักษาสินจเจริญสมถกรรมฐานจเจริญนิัสสนากรรมฐานถึงที่สุดแล้วกลับไปทําสิ่งที่ผิ ด, ผดอันนั้นเรียกว่า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 คำว่ากอดมะพร้าวมะพร้าวเอาแค่กัดมีลูกอ่อนกอดลัดไม่รู้วางคนมันมีอุปบาฐานชอบทาสิ่งที่เลวร้ายชอบทำที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ชอบทาที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนมันชอบทาหน้าที่ของสัตว์ดังนั้นคนกับสัตว์มันจึงจิตใจเจือปนกันอยู่เราดูหน้าตาท่าที เราเรียกว่าคนแต่จิตใจมันเลวร้ายจะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนได้ไม่เป็นไม่ได้เป็นได้เฉพาะรูปร่างหน้าตาเท่านั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ใจสูงคําว่าคนกับมนุษย์นี่จึงไม่เหมือนกันเมื่อศึกษาธรรมจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เฉพาะผู้ที่มีญาณปัญญาหรือมีปัญญาญาณเท่านั้นคนโง่คนไม่รู้ จะมียาณไม่มีไม่ได้แต่ก็จําเป็นฟังแล้วจุดจํานําไปปฏิบัติได้ยกตัวอย่างให้ฟังอาตมาชอบเอาเรื่องตัวเองมาพูดตัวเองเนี่ยเคยสูบบุหรี่สมัยนั้นสูบบุหรี่ติดหนักเมื่อหมดบุหรี่แล้วคนสูบบุหรี่กายไปไกลๆประมาณจากสิบวายี่สิบวาก็ตามแล้วกินบุหรี่คน เพื่อนๆนเดินไปในส่ยสุปแล้วกินมันมาว่าซิสูปเอามันมีแรงอันนั้นไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์ทํางานอย่างต่ําที่สุดเลวร้ายที่สุดเมื่อรู้ธรรมะไอเจียนจกขอหากอ้วกออกมาทันทีโอ้นี่ไม่ใช่ของหน้าที่จะทํามันเป็นพกุกมันทําคว่ำเดือดร้อนให้แกเรานี่อันนั้นเป็นญาณของปัญญารู้ บัด น, นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องอาศัยยานแล้วฟังน้ำศาสตรศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนบุคคลที่รู้พูดแล้วมันเข้าหูคนคนต้องจดจําเอาได้สิ่งที่ไม่สมควรที่หน้าที่ของเราจึงไม่ควรทำอย่างสุบหบรีเนี่ยเขาว่าเงินของเราซื้อได้คนใดไม่สุบหบรีแล้วสังคมไม่สูง สังคองสังคมของคนทานเท่านั้นบัณฑิตเนี่ยจะไม่แตะต้องสิ่งที่เลวร้ายงว่าอาเสบนาจะพารานังการคบคนพานนี่แหละมันจึงไม่ควรพบแต่คนพานในที่นี้จะนำมาเล่าสู่ฟังคือจำพวกนี้หรอกเป็นมงคลอันสูงสุดทันวายอย่างนี้คือมีถามไปถามพระพุทธเจ้า มงคลอันที่สูงสุดอันที่สมควรมนุษย์ควรทาคืออาถับ้างท่นบันเนคร า, าเอเสบรรณาจะพารานังการเสพคนพาลหรือคบคนพาลเนี่ยไม่เป็นหน้าที่ของเราจะคนครบควรงดเวน้นหนีจากคนพาลคนพาลที่ดื่มสุราเล่นการพานันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเกียดค้านการงาน อันนั้นคนพาลที่เป็นตัวเป็นตนย่า ง, งมาให้เราเห็นเราหนีได้ทันทีแต่คนพาลที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนั่นแหละคืออวิชชากะว่าได้หรือว่าคนโง่นั่นเองคือมันมักชอบทาไม่ใช่เป็นธุระของมนุษย์ไม่ใช่เป็นการงานของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้จี่ว่าโอ้คนพาลกับบัณฑิตใกล้กันที่สุด จัางนั้นคนที่มีปัญญาจึงจะมองเห็นสภาพหรือชีวิตจิตใจของตัวเองที่มันคิดขึ้นมาสิ่งที่เลวร้วายเราไม่ควรทาจึงงดเว้นปราศจากคนพาณได้คือคนพานจิตที่เป็นอกุศลธรรมคือโทสะโมหะโลภหรือว่าความหลงผิดนั่นเองเรียกว่าเป็นคนพานบัดนี้ตรงกันข้าม บัณฑิตตานันจะเสวนาปูสาจะบัณฑิตเดี๋ยวนี้เราไปดิยมกันศึกษาเราเรียนสูงสูงเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตจริงอยู่บวชนานๆแล้วว่าเป็นบัณฑิตจริงอยู่เรียนนักธรรมตีโทเอกจนจบปริญญ า, าเออจนจบประโยคเก้าจริงอยู่เราจะไปอยู่กับบัณฑิตเช่นนั้นอยู่ไม่ได้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 ถ้าหกมาที่นี่จึงพูดเลย ว, ว่าตื่นเถอะมาที่นี่มองลงที่นี่อยู่ที่นี่และไม่ต้องสู้และก็ไม่ต้องหนีสู้ไม่ได้หนีไม่ได้ต้องดูสภาพชีวิตจิตใจของเราจริงๆการศึกษาธรร ม, มะมันเป็นเองธรร ม, มะจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้จะคาดคิดเอาไม่ได้ไม่ได้จริงๆ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 อาการเกิดดับเช่นนั้นชีวิตบุคคลคนนั้นเป็นหมันแมควอมสุ ก, มมกก็ไม่รู้วอมทุกก็ไม่รู้เรียวาเป็นหมันคำว่าเป็นหมันก็เรียก่โมคะไส่ไม่ได้ทำไม่ถูกต้องทันวายอย่างนั้นและตรงกันข้าว่าสู้บุคคลที่เกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจหรือสภาพภาวะนั้ น, น, นได้ มีประโยชน์กลัวดีกลัวบุคคลผู้ที่อายุเป็นอยู่ร้อยปีและบุคคลเกิดมาวันเดียวนะท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านเห็นไหมพิเคียงก็ไม่ได้อุจจาระปัสสาวะที่ตรงนั้นไปไม่ได้แล้วมันจะสามารถรู้ภาวะอาการเกิดดับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นได้ไหมไม่ได้คนมีปัญญามันต้องรู้อย่างนั้นดังนั้นพวกท่านมาที่นี่ เป็นนักศึกษาก็มีอเป็นข้าราชการก็มีลาราชการแล้วก็มีบางคนหมดกระเชียนทําการนะเป็นข้าราชการเอาเบี้ยตํานานก็มีบางคนเป็นพ่อค้าประสาสนก็มีเนี่ยและคนก็ยังหนุ่มๆไม่มากอายุอายุไม่เกินห้าสิบหกสิบปีอายุภายในสามสิบปียี่สิบปีหรือว่า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 ถ้าหากไม่รู้เรื่องนี้ท่านกว่าซชีวิตบุคคลผู้เช่นนั้นอย่างเป็นมันคำว่าเป็นมันก็เป็นโมค ะ, ะนั่นหละโมคะในี่ยคำว่าโมคะคำนี้แปลว่าใส้ไม่ได้ใสไม่ได้การศึกษาอย่างนี้ใส้ไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามบวชมาเพียงวันเดียวและสภาพอาการเกิดรู้เห็นเข้าใจเป็นอยู่มีอยู่ในสภาพนั้น ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมา100้อยปีท่านว่าอย่างนั้นอันนี้พูดความจริงสู่กันฟังไม่ใส่แป้งพูดไม่ใส่แป้งทาดังนั้นจิงว่าควรศึกษาเรื่องชีวิตจริง จ, งจิงว่ามาที่นี่ดูที่ตรงนี้ดูที่ไหนดูสภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นวัตถุมองเห็นได้ ถูกด้วยมือแตะต้องกันได้สิ่งนี้ก็มันเป็นเลือกเป็นกระพีและมองเข้าไปถึงส่วนลึกเส้นหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เรียกว่าส่วนลึกพาอมองไม่เห็นจับถูกไม่ได้แต่ว่าเห็นสภาพบุคคลที่ตั้งใจดูว่ามันหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดเราจะมองเห็นได้อย่างนี้ลึกๆเข้าไปส่วนหนึ่ง คือจิตใจของคนมันคิดไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นตนไม่เป็นตัวจึงพระพุทธเจ้าทังสอนว่าอย่าเป็นคนมักลืมตัวอย่าเป็นคนมักพูดเรื่องของคนอื่นให้พูดเรื่องตัวเองสอนเรื่องตัวเองให้มากจังว่าอันนี้เลยว่ากินเท่าไรไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นคือคนมักพูดเรื่องคนอื่น รักคนอื่นก็รักตนชอบพูดแต่เรื่องคนนั่นดีเรื่องคนนี่ชั่วคนนั่นมีอัตราเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้มีความรู้สูงสูงเป็นคนลืมตัวทั้งนั้นของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่ไม่น่าพูดสิ่งที่ไม่น่าคุยสิ่งที่ไม่น่าสอนเอามาพูดเอามาสอนทำไหมเพราะเรื่องอะไรเรื่องของปุถุชน แม้ไม่พูดไม่สอนเขาก็รู้เพราะอันนั้นเป็นสภาพภาะวะของบุคคลที่ไม่รู้เรื่องของบัณฑิตเรื่องของนักปาราชญ์จริงๆนั้นทำไมจึงไม่พูดมันเป็นเพราะเรื่องอะไรกลัวกลัวจะเสื่อมศรัทธาของบุคคลผู้มีศรัทธาอาตมาพูดด้วยความจริงใจวานนี้ที่นี่แหละมีโยมาจากกรุงเทพ เคยทำบุญมามากหูเขาหลอกไปทันวาจันทนระ์แล้วก็โยมคนนั้นน่ะแต่ไม่ต้องพูดซื้อเสียงแหละไปเจริญสติที่วัด ส, สนามไหนด้วยอาตมาก็เลยรู้จักภาวะเรื่องรูปนานเอาเงินให้อาตมามือหนึ่งให้มาสร้างสานักวิปัสสนาแต่ว่าสร้างไปแล้วแต่ไม่พอรับเงินหมื่นเดียวมันไม่พ อ, อดึกใจเดียวก็หมดเพราะอาตมาเป็นคนชอบจ่ายสตาง ท่านว่ามีอาจารย์สอนว่าสร้างสำนักวิปัสนานึกว่าสร้างในน้อยทีแรกว่าสร้างสักหมื่นกระพรอนที่สุดมดเงินสี่แสนบาทนนั้เอาให้เท่าไรก็ไม่พอก็เลยสร้างไปผลที่สุดเงินสี่แสนด้ไม่รู้เรื่องอะไรคิดว่าได้บุญมากตายแล้วต้องไปเกิดสวรรค์แต่คนไม่มีบุญจะเอาบุญให้คนได้ไหมไม่ได้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 ท่านผู้ฟังทางหลายชีวิตนี่มันไหลไปเหมือนกับน้ําเลยที่เรามองเห็นนี่แหละมองเห็นนี่เนี่มันจะไหลไปอย่างนั้นไม่มีทางสิ้นสุดจริงๆดังนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยยกไว้ให้โลกเสียเราต้องพากันเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่พระธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ พระสงฆ์หยุดเรื่องชีวิตจิตใจนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคนเด็กๆ ก, ก็ศึกษาได้อาตมาเคยสอนมาแล้ว อ, อายุเกปีศึกษาได้ศึกษาได้จริงๆถ้าเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยศึกษาแล้วนําไปใช้ชีวิตของเราได้จริงๆเลิกละสิ่งที่เลวร้วาย เลิกละได้จริงๆตัวอาตมานี่แต่คนอื่นนั้นรับรองไม่ได้รับรองไม่ได้จริงๆอาตมาศึกษาโตจนเข้าเห็นสภาพภาวะทุกจริงๆเลิกละได้มูรีเคยสูบโอ้สูบไม่ได้เดี๋ยวนี้เอามาให้สูบก็ไม่สูบใครจะเอามาว่าเป็นของดีวิเศษเอาเอาเถอะท่านเอาเถอะเป็นไงนน เห็นคนสูบบุหรี่พอได้อ้าปากขึ้นมาที่จะพูดกับเรากินออกมาเลยทันทีเหม็นอันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจบุคคลใดที่รู้ธรรมะแล้วไปทำสิ่งทเทเล้ายนะขอเปรียบเทียบได้อุปมาไม่ใช่พูดให้ผลพูดเป็นข้อเปรียบเทียบสุ น, นัขมันกินอาหารไปแล้วมันอิมน่มไปอาเยนอ้วก อ, อกไปแล้วมันกลับคืนไปอาเยนไปกินอาเยนเมันได้ แล้วก็คิดว่าดูคนนี่ศึกษาธรรมะว่ารู้จริงแล้วทําไมไปทําความเลวร้ายอย่างนั้นได้ก็ชีวิตของบุคคลผู้เช่นนั้นก็ไม่เหมือนกับสุนัขไปแล้วเ ห, หรือท่านอันนี้ขอพูดด้วยควมจริงใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดแล้วเราจะปิดงานกันในระยะเรียกว่าเย็นวันนี้นะยิ่งจะพูดกันได้พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปพูดกัน เชิญท่านอาจารย์ผู้รู้ไปพูดในงานกะถินที่บ้านบุหงาแต่ตัวอาตมานี่บางทีอาจจะไม่ไปดังนั้นเป็นการเตือนจิตสกิดกใจกันวันนี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่านอนเอ่ยกินเท่าไรไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นก็รักตนของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่สั้นเราเข้าใจว่ายาว ปอกหมากเ้าบ้านอาตาลมาเรียกว่าหมาพเผาปอกมะเ้าอย่างัรหมากเ้าเอาแข่ากัดคนโง่เท่านั้นทําอย่างนั้นมีลูกอ่อนกอดรัดไม่ลูกฝางคนมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นจึงจะทําอย่างนั้นคนตาบอดหลงทางไม่ถามใครอวดดีว่าเรามีความรู้อวดว่าเรารู้อคนตาบอดลงทางไม่ถามใครหนีจระแค่ใหญ่แล่นลงน้ํา เข้าไปน้ําก็ตายแล้วมีแค่มีแค่ขึ้นต้นไม้สูงสุดนึกว่าเราศึกษาธรรมะจบแล้วเนี่ยกลับไปสอนสิ่งที่เลวร้ายต่ําๆอันนั้นเรียกว่าอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนอนอย่างสูงกลับไปทํางานสิ่งที่เลวร้ายเรียกว่ากลับทํางานอย่างต่ําพวกเรามาที่นี่อยู่ที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่อยู่อย่างต่ํา กินอย่างตำ่ำนั่งนอนอย่างตำ่ำแต่มุ่งหวังทํางานอย่างสูงแทนพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาเองสิ่งที่พูดนี้แต่เรื่องนี้อาตมาจดจํามาจากพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราเคยสอนให้พูดทีเดียวจำไม่ได้หลายครั้งหลายหนพูดแล้วพูดพูยแล้วคุยท่านสอนท่านพูดให้ฟัง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 ตามปกติผมคนมันต้องยาวตัดแล้วก็ยาวตัดแล้วก็ยาวสิ่งที่เป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาตินะพะพระเจ้าเจ้ารู้เห็นเข้าใจแล้วอันนั้นน่ไม่ยาวไม่ยาวเท้าเดิมเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตายตัวไปตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าอยู่อย่างต่ากินอย่างต่านอนอย่างต่ามุ้งจะสอนเรื่องนี้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 เป็นอะไรได้ทั้งนั้นเพราะทำการทำงานตามหน้าที่เท่านั้นจึงว่าลาบยศนาเสริญเป็นสมบัติของบุคคลที่ไม่รู้เคยพูดให้ฟังมาหลายครั้งเหมือนกันมีนายตำรวจคนหรือนายทหารคนหนึ่งเขาได้ร้อยเอกแต่ร้อยเอกหนุ่มๆบัตรนั้นเขาไปสอบยังไงได้อะไรต่ดมาก็ไม่ทราบเขาให้ยศผ่นปี พอดีได้พันตีแล้วก็ดีใจแต่ยังไม่ได้รับสัญญาบัตรเนี่ยอาตมาถามพวกที่อยู่ที่ว่าสัญญาบัตรเราสันไม่รู้อาตมาไม่เคยรู้เนี่ยบัตรนี้พอดีเขาพูดว่าให้ไปรับเอาก็เลยไปแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็ทานอาหารทานอาหารแล้วก็ดูเรี่ยมนั้นเรียมนี้เหมาะสมกับพันตีแล้วบัตรนี้ยศพันตีได้มาแล้วนี่พอดีเดินออกไปมีไหมน้อย ข้ามห้องที่บ้านเขาจะออกมาถนนใหญ่ก็เลยไปมองก้มดูตัวเองอย่างนี้เนะ่ะก็เลยหวิวลงคองเลยตกคลองอันนี้เดี๋ยวคนตื่นยศก็เลยเอายศอันเอาเอ า, เอาเครื่องแต่งตัวสุดนั้นแต่รับเอาสัญญาบัตรไม่ได้กลับคืนไปนุ่งสุดใหม่สุดนี่ก็ไม่สวยเท่าไหร่อันนั้นเดี๋ยวเขาเอาให้อย่าไปตื่นยศอย่างนั้นแต่เขาให้เขาต้องรับไปเขาให้อบุคคลผู้นี้ ควรทำงานอันนี้เนี่ยเส้นผู้ใหญ่บ้านรัศดรเลือกเอาให้เป็นผู้ใหญ่บา้านเนีเราก็ต้องทำงานผู้ใหญ่บ้านดูแลว่าความทุกข์สุขเป็นอย่อยางไงควรจะแก้ไขอย่างไงสิ่งที่ผิดเนะ่เราถูกคนเลือกเรามาเราต้องทาตามหน้าที่ของเราก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราต้องถามจะให้ผมเป็นเพื่ออะไรถ้าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องฟัง ต้งเสื้อฟังอาตจจมาขอพู้ดูข่มจริงใจเนี่ยแล้วขูมจริงอีกด้วยนะนอาตมาก็ถูกเหมือนกันแต่เมื่อในขณะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่นานนะก็มีเรื่องที่บ้านอาตมามีเรื่องฟ้องฟ้องกันเรื่องมูลนิคนนี่มันชอบเข้าข้างตัวมากซื้อเสื้อมาให้พื้นหนึ่งราคายี่สิบบาทในสมานนั้นราคายี่สิบาทไม่ใช่น้อยนะอยากให้สู้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 เป็นตำรวจก็เช่นเดียวกันอาจจมาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ก็ถามอย่างนี้นะก็มีพ่อกำนันอิสระด้วยมาเลือกข่าวนั้นแต่เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นก็ต้องถามแล้วก็มีคนเท่าๆแก่ๆเนี่ยไปเลือกเลือกก็โอ้จําเป็นก็ถามจยาให้ผมเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ให้เป็นดูให้เป็นกี่วันไม่นานละเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขอแต่ให้เป็นให้ทดลองก็เป็นเป็นได้ประมาณจาก ปีหนึ่งลาสิบสองครั้งแหมไม่เอาแล้วเรื่องชีวิตอย่างนั้นไม่เอาจริงๆเพราะพูดแล้วคนนั้นก็ต้องการมีความผิดอยากให้ช่วยคนนี้มีความผิดก็อยากให้ช่วยจะไปช่วยกันได้ทำไมผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเราทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองลาสิบสองครั้งบัดนี้แนอำเภอก็โอ้หลงก็ไปพูดกับกำนันกำนันเป็นลูกเป็นลูกแถวแถวพูน้องเด็กเสือสเอ้อซาดกันเออถ้าหัก โทษเว่ามึงมึงเขาเป็นรุนน้องมึงไม่ให้กูลามึงต้องเป็นกำนันเดี๋ยวนี้มึงต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยก็ต้องพูดอย่างนี้ก็พูดกันหลายเรื่องอ้าพอกำนันก็เลยพูดเอา้าลาให้มันซะมาเปส่งในอำเภอซะกำนันก็ถือเอาจดหมายนั่นะไปให้นอำเภอพอได้นอำเภอมาอีกแล้วอ้าววันนี้ก็ประกาศกันว่าอ้าววันนี้ขอให้ญาติขอให้พี่น้องรัษฎรพุกคนมาที่นี่ จะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านฮะผู้ใหญ่บ้านให้เราก็ดีใจนึกว่าเราจะได้ออกหนีจริงๆพอดีญาติโยมมามากแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าหายไปแล้วจ้งผู้ใหญ่บ้านคนนี้แหละให้แทนใหม่หมดเรื่องเลยเรากเอ๊ะหมดเรื่องเอ๊ะทาไมพูด อ, อย่างนี้พอดีไปกินข้าวด้วยกับนายอำเภอกินข้าวที่บ้านก็ทํามาแทนอำเภอจริงวะไม่ไม่เอาให้ผมก็รัฐฎานทุกคนเขายัางให้คุณทํา ให้คุณทำโอ้โหตาอย่างนี้ผมไม่ชอบจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทําไมไม่ชอบว่าคนมีคมผิดแล้วอยางให้ผมไปช่วยผมจะช่วยได้ทําไม <c oughs> เพราะผมช่วยผมก็ไม่มีธรรมะทองใจผมก็คล้ายๆคือไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์กินของที่สกปรกเหมือนกับสุนัขกินมันมากแล้วอ้วกออกมากลับคืนไปกินอาเจียนของตัวเองผมไม่อยากเอาจริงๆโอ้ถ้าไม่อยากเอาจริงจริงแล้วคุณ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 แง้งคะแน น, แนเขาทุกครั้งครั้งที่จะไปหลุดเนี่ยคะแนนเขาหลุดอาตมาเสียงหนึ่งอาตมายังได้อีกสียด้วยเนะสองกับเสียงตัวเองโอ้จะเอาเถอะเอาคนที่ผู้ต้องการเถอะครับพูดในอนอนเอาเถอะให้ผมหลุดไปเสียทีเถอะสมเงี้ยนกาเลยเออเอาตัดสินใจเอาแต่ลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเรื่องอย่างเนี้ยจะเอามาทมําไหมก็เลยสบายใจทุกวั น, น ศึกษาธรรมะคลองตัวได้ๆนี่มันเป็นควอมจริงนํามาเล่าให้ฟังดังนั้นถ้ า, าท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่เป็นนักศึกษาถ้าหากเป็นครูก็ทําหน้าที่ของครูให้มันสวยๆงามๆถ้าหากเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านให้มันดีๆถ้าเป็นกำนันก็ต้องทําหน้าที่กำนันให้มันดีๆถ้าเป็นตำรวจทหารเป็นอะไรก็ตามเถอะ เป็นพ่อคนแม่คนก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีๆแต่ทําดีๆแล้วคนอื่นจะไปชั่วก็ตามทีเถอะดังนั้นจึงว่าสมกับหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นมงคลอันเดียอาเสบนาจะพาลานังเราจากไม่คบคนพานแต่คนพานภายนอกหลีกเลี่ยงได้อย่างสบายๆแต่คนพานภายในคือเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้าโลภะเจ้าอวิชาเนี่ เลี้ยงลีกได้โดยยากบุคคลที่จะลีกเลี้ยงเหล่านี้ได้จำเป็นต้องมีญาณปัญญาแล้วก็มาสมกับที่บันดิตานันจะเฉวนาปูซาควรอยู่กับบันดิตและควรปูซากับบันดิตควรเคารพตัวเองนี่แหละการเคารพตัวเองได้คือบันดิตคือตัวสติ ตัวสมาธิตัวปัญญารอบรู้รู้จักตัวเองจีว่ะอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้นี่มันเป็นอย่างน้งดูเข้าไปจะเห็นอะไรเห็นที่สุดของทุกได้อย่างแน่นอนเรื่อ ง, องนี้จงวาปูซาจะปูสานียังนังเอตามังคลมุตมงเป็นมงคลอันสูงสุดของบุคคลของมนุษย์ถ้าเราทำได้อย่างนี้ อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไปไหนมาไหนก็ไม่เดือดร้อนถ้าหากเราทำให้เราเดือดร้อนแล้วเราก็ไปติเพื่อนว่าเพื่อนทำให้เราเดือดร้อนจะเดือดร้อนทำไมเราไม่เดือดร้อนคนอื่นจะเดือดร้อนนะั้เป็นเรื่องของคนจะห้ามไม่ได้ดังนั้นการพูดธรรมะให้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าเหมาะสมกับเวลาที่พูดแล้ววานนี้ก็ไม่ได้พูดฝนตก ทั้งเช้าและเย็นวันนี้จะมีการพูดอีกพักหนึ่งคือตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปที่กรถินงานกรถินถ้าหากใครมีศรัทธาอยากไปรวมในงานกรถินบ้านบูห่มไปได้อย่างสบายไม่ต้องคิดอาตาัตราค่ารถอะไรเขาจะมารับฟรีๆเนี่ยรับไปแล้วไปทานอาหารทางโน้นเขาให้กินข้าวฟรีอีกด้วยนะ ที่รถไปมาไปฟรีมาฟรีแล้วก็บอกเขาเอาไว้ว่าเมื่อกลับมาแล้วก็พาคนที่ยังไม่เคยรู้คนที่มาจากสงขาหาใหญ่หรือมาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่มาจากที่ไหนก็ตามทีเธอะที่ยังไม่เคยรู้แก้งขดคูแล้วก็ให้พาไปแก้งขดคูอีกสัตด้วยดูน้าแก้งขดคูแล้วก็พาท่านเหล่านั้นกลับคืนมาที่ สำนักมิ่งขวนจังหวัดเลยบ้านตีว้วตําบลกุดปองอำเภอเมืองจังหวัดเลยที่นี่ที่นี่เป็นที่ศึกษาเรื่องจิตใจดังนั้นการเปิดอบรมธรรมะครั้งนี้จึงไม่ได้เซิรญวิทยากรมามากเพราะว่าจะพูดให้ฟังหมอบอกว่าไม่ให้พูดก็ต้องพูดเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นก็ต้องพูดพูดเรื่องชีวิตเนี่ย อาตมาไม่กลัวใครทั้งหมดเลยแม้ใครจะอยู่ที่ไหนมาก็ตามพูดของจริงให้ฟังเนี่ยคนมันมีชีวิตทําไมจึงไปอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์คันอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์จะเป็นมนุษย์ได้ไหมเป็นไม่ได้เป็นมนุษย์ได้ไหมล้วจะเป็นเทวดาได้ไหมยิ่งไกลเป็นเทวดาไม่ได้เป็นพระโกยิ่งไม่ได้ถ้าเป็นคน พัฒนาจิตใจขึ้นมาเลือนจิตใจเลือนชีวิตตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เป็นเทวดาดังนั้นเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูปัสบานเป็นผู้ใหญ่บ้านกรรมนั้นเป็นรัฐมนตรีขอให้เป็นเทวดาจริงๆเมื่อเป็นเทวดาแล้วก็เลือนสั้นขึ้นมาเป็นพระได้พระทางจิตทางใจเป็นพระนี่คนจะมาทอดเอาไม่ได้ พระทางจิต ท, ทางใจนี่ไม่เหมือนกับนายพันตีคนนั้นนายพันตีคนนั้นน่ะแต่ตกของก็เลยตื่นยศแต่อาจจะมาไม่เคยตื่นเลยเรื่องซีวิตนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราอย่าไปตื่นยศตื่นลาบแต่ต้องทำการทำงานตามหน้าที่สอนคนให้รู้ให้เข้าใจเลิกละสิ่งที่เลวร้ายท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ปฏิบัติแล้วก็ เลิกละได้แต่ไม่ปฏิบัติก็ได้ถ้าเลิกละได้ถ้าเลิกละอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ไม่ให้มันโกรธขึ้นมาแต่โคมโกรธบังขึ้นหม อ, อตายแล้วเน่าเหม็นเปียกแตะเหมือนกับกองอุจจาระไปเสียแล้วแต่กองอุจจาระเราล้ลางออกได้นะล้างออกไดนะ้สิ่งที่เลวร้ยวายกว่านั้นอนะ่ะอยู่ที่ไหนจริงกว่านั้นล้างไม่ได้เพราะชีวิตมันสกปรกโยดสียใจ เสียใจเสียแล้วเอาคืนได้ไหมไม่ได้คําว่าเสียใจเนั้นหมายถึงจิตใจที่มันดีตกปุ๊บไปแล้วเนี่ยจะเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือท่านพูทธเจ้จึงสอนอว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วทําผิดก็าตามอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ทำผิดนั้นมันเอาคืนมาแก้ไม่ได้อืออดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อนาคตพรุ่งนี้เราจะทําดีๆ อย่าไปคิดเหมือนต้องแก้ปัจจุบันเท่านั้นเป็นปัจจุบันเท่านั้นจี่จะแก้ได้จึงว่าให้ดูสภาพภาวะของชีวิตจิตใจในขณะมีลมหายใจเข้าออกจึว่าอยู่ที่นี่กินที่นี่นั่งนอนที่นี่ไม่ต้องสู้และไม่ต้องหนีเอาสนะที่ตรงนี้ให้ได้ท่านจึงสอนย้าเขาอีกว่าเอาชนะคนอื่น้อยครังพันหน อานี่สงนั่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สู้เอาชนะตัวเองครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยท่านสอนท่านย้ำแล้วย้ำอีกแต่เรื่องชีวิตเท่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท้ายที่สุดนี้ก็เห็นว่าเหมาะสมกับท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วบัดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าไม่ไสพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคุณ น, นะ ให้เข้าใจนะพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนละคนนั่นแหละขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสอนคนคือตัวเราเนี่ยคือพระธรรมและคุณของพะระอริยสาวกของพระยอดเลียวพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าคือเราทุกคนเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติตนเองให้ดีขึ้น ขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้พบได้เห็นได้เข้าใจชีวิตจิตใจที่ไม่เจือปนด้วยทุกข์นั่นะในขณะนี้และความเป็นอยู่ยังมีชีวิตนี้จงทุกทุกคนเธอ